เมื่อเร็วๆนี้มัมีข่าวใหญ่ที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึง่งเป็นแม่ลูก2 อ, อายุส1เอเป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าเธอไปฆ่าคนนะถึง3มคนในเวลาไล่เลี่ย ก, กันแล้วก็พยายามฆ่าอีกสองคนนะแต่ว่าสองคนหลังนี้ไม่ตายวิธีการก็คือใช้มีดนะ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 ลองคิดดูนะว่าถ้าเราเป็นคุนลุงคนนี้เนี่ยเราจะคิดเราจะรู้สึกอย่างไรนะก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่านะว่าไม่รู้ไปทําข้อกรรมอะไรมานะทําไมถึงต้องมาเจอแบบนี้อาจจะโกรธแค้นขุ่นเคืองหรือว่ า, วาหวาดผวาเสียใจแต่ว่าคุณลุงคนนี้ แกไม่ได้มีท่าชีหรือความรู้สึกอย่างนั้นเลยแกกลับมองว่ามันทำให้แกได้คิดไม่ประมาทกับชีวิตแล้วก็ใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นคนที่ฉลาดนะในการที่สามารถจะมองหาประโยชน์จากเหตุการณ์ร้าย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 ไม่ใช่กลายเป็นทุกข์นะใจก็เป็นทุกข์ด้วยแต่คนฉลาดเนี่ยเมื่อเขาเจอเหตุร้ายก็จะไม่ซ้ําเติมตัวเองก็จะไม่ก่นดาชตา ก, กรรมนะแต่ว่าเขาจะรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแในทรรมนองเดียวกันคนที่ฉลาดเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็จะไม่มัวบ่นพึมพำตีโพตีภายนะแต่เขา จะมองว่าเออความเจ็บป่วยนี่มันบอกอะไรเขาความเจ็บป่วยมาเตือนให้เขาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพความเจ็บป่วยมาเตือนให้เขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะให้ออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่าทำจิตใจให้ผ่อนคลายเพราะว่าความเครียดนี่ก็มีส่วนทำให้เจ็บป่วยได้หรือว่าอาจจะมองเห็น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 สลายในเรื่องอะไรสลายในเรื่องสังขารในเรื่องความจริงของชีวิตนะว่าสังขารของเราเนะี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเต็มไปด้วยทุกข์มันพร้อมจะเสื่อมมันพร้อมจะสลายไปได้ต่อดเวลาและจริงมันก็เสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอนะความเจ็บปวดก็สอนทําให้กับเราได้นะอย่างที่พูดเมื่อวานเ ม, เมื่อเช้าว่าไอ้ทุกข์นี่มันมีประโยชน์นะสามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมหรือว่าสามารถจะ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 เขาาคิดบวกฟองบวกคือการรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่มันแย่ๆถ้ามอวอันนี้ได้กําไรนะถือแม้ว่าจะเจ็บตัวเกือบตายนะแต่ว่าได้ธรรมะได้ได้ข้อเตือนใจซึ่งมีคุณค่าอันนี้ก็หักบลบบนี่กันแล้วก็อาถือว่ากําไรแต่คนส่วนใหญ่นี่ไม่ไม่ยอมที่จะหากําไรจากเหตุการณ์นี้น ะ, นะก็มีแต่ซ้าเติมตัวเองให้หนักขึ้น นะกลุ่มอกกุ่มใจไปกันใหญ่เลยาการคิดบวกเนี่ยนะถ้าเรารู้จักคิดนะไม่ว่าเจออะไรนะเดี๋ยวว่าจะเจอของดีเลยเจอของที่มันแย่เราก็ได้ประโยชน์จากมันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดคราะกรรมหรือเหตุไลน์หรืออุปสรรคทั้งหลายทั้งพวกเนี่ยถ้าเราฉลาดเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่มาโมดเสียอกเสียใจ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 เป็นชาวยูเครนยูเครนนี่ก็ช่วงนี้เราก็คงได้ยินข่าวนะเพราะว่ามันมีเหตุต่อเนื่องกันมา 3- าสเดือนละมีการประท้วงกันแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประท้วงนะก็คือว่าเขาเป็นคนยูเครนแล้วก็อพยายาหนีความยากลาบากมามาอเมริกาเมื่อ20ปีที่แล้ว อายุแค่สิบหเองนะความรู้ก็ไม่ไม่มีมากภาษาอังกฤษก็ไม่ประสีภาษาเลยเพราะว่ายูเครนนี่มันใช้ภาษารัเสเซียแล้วกาว่าจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวก็มาแบบเสือพื้นม้อนใบจริงๆเลยนะเหมือนกับคนจีนที่มาเมืองไทยสมัยก่อนมาตาดาบหน้ามากับแม่รากว่ามาไม่ทันไรแม่ปว่วยตรวจไปตรวจมาแม่เป็นมะเร็ง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 คนป่วยแล้วนี่ครอบครัวนี้ก็ยังได้ได้คูปองนะคูปองสําหรับซื้ออาหารไม่ใช่คูปองสําหรับแลกอาหารหรือฟู้ดสแตมตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทองเลยทํำมา ก, กินอะไรก็ไม่ได้ก็ใส่ฟู้ดสแตมป์หรือว่าคูปองแลกอาหารเนี่ยช่วยเลี้ยงครอบครัวช่วยเลี้ยงแม่กับลูกความเจ็บป่วยของแม่นี่ก็กลายเป็นของดีนะ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 แต่ว่าพอเขาตกงานไงเขาก็เลยมีเวลาที่จะคิดโปรแกรมคิดแอปนะมันไม่ใช่โปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันการที่เขาตกงานนี่กลายเป็นของดีไปแทนที่ซักกระบอรือนี่จะได้ขเข้าไปลูกน้องก็ปรากฏว่าซักกระบอรือต้องยอมจ่ายเงินมหาศาลเลยให้กับให้หนุ่มคนนี้นะแล้วหนุ่มคนนี้ก็ลกลายเป็นมหาเศรษฐีไปละเพราะการที่ตกงาน พอสกกระเบิกไม่รับเขาทำงานไอสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นคอรอนี้บางทีมันกลายเป็นโชคนะเมื่อเรามองย้อนหลังไปอย่างเฉพาะกรอเนี้ยของของหนุ่มคนนี้เนี่ยชื่อชื่อจองคุมอลยเนยอ่านยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษการที่แม่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีอาหารนะประทังชีวิตไปได้ทั้งที่ไม่มีงานทา ว่าอายุแค่สิเองนะการที่เขาตกงานก็ทําให้เขาเนี่สามารถที่จะคิดโปรแกรมที่นําความร่ํารวยมาให้แก่เขามากมายอันนี้ก็เป็นอุูตาหอนนะว่าคนเราเวลาเจอเหตุลายหรือเจอเจอสิ่งที่เราเรียกว่าครากรรมเนี่ยนะบางทีมันอาจจะเป็นโชคที่จําแรงมากก็ได้เราไม่รู้หรอกนะ สิ่งที่มันเป็นเคราะห์นะัมันกา จ, จะเป็นโชคในเวลาเดียวกันก็ได้แต่ว่าโชคมันก็ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนนะัมันก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยอย่างเช่นถ้าตก ง, งานแล้วอยู่เฉยเไม่ทําอะไรเนี่ยนะมันก็คงจะประสบความสําเร็จไม่ได้แต่เมื่อตก ง, งานแล้วก็ทําให้มีเวลาว่างทําให้สะมาคิดคนน้นแอปพลิเคชันคิดค้นสร้างนวัต ก, กรรมนะมันก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้ สิ่งที่เรียกว่าหรือแม่บางครั้งแม่จะว่าไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไอ้ครอส น, นี่ก็กลายเป็นโชคได้ไง่ายๆนะอย่างก็มีมีเรื่องเล่าซึ่งว่ากันว่าลีเกิลยูเนี่ยนายรัฐมนตรีอดีตนายรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ชอบมันเป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะพวกเราจะเคยได้ยิ น, นเป็นเรื่องของเจ้าของฟาร์มเลี้ยงม้าก็เลี้ยงมาที่ ราคาแพงมากวันหนึ่งเนี่ยม้าในข้อเข้าตัวเนี่ยมันหายเข้าไปในป่าหอนม้าตัวนี้เป็นม้าที่ราคาแพงมากชาวบ้านเหญิงก็บอกว่าเออเจ้าของฟาร์มนี่นะสวยแต่ปรกว่าวันต่อมาไอ้ม้าตัวนี้ก็กลับมาจากป่าและแถมพาตัวเมียกลับมาด้วยเป็นม้าป่าที่เรียกว่า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 ในทางหนึ่งนะเวลาเราเจอโชคนะก็อย่าไปดีใจเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเคราะห์ก็ได้คนที่โชคดีนะพบลักได้อย่างรวดเร็วนะอันนั้นมันอาจจะกลายเป็นเคราะห์ในเวลาต่อมาก็ได้นะอาจจะคนบางคนนี่นหาแฟนไม่ได้เลยนะในอายุยี่สบามสิบหรืออาจจะเพิ่มสี่สิบนะใครก็ว่าโชคไม่ดีนะแต่ปกก็ว่าพอไปได้แฟนเข้าโอเป็นแฟนที่ดีก็ได้นะ นั่นม่ใช่อย่าประมาทนะไอ้โชคเนี่ยที่เรามีเนี่ยอาจจะกลายเป็นเคราะห์เมื่อเวลาผ่านไปไอ้ส่วนเคราะห์ที่เราเจอไม่ได้กลายเป็นโชคก็ได้อันนี้มันเป็นความไม่แน่นอนนะที่เราก็จะเป็นข้อเตือนใจของเราได้แต่ทั้งหมดนี้ตนะ้องอาสายการการที่เรารู้จักมองนะเราจะรู้จักมองได้ก็ต้องมีสติไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ต่างๆง่ายๆนะถ้าเรามีสติเราก็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 เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อสักห้าเดือนก่อนนี้ก็มนะีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่เป็นผู้หญิงฝ่ายดีนะไม่ใช่อังกฤษนะแต่เป็นไต้หวันผู้หญิงคนนี้เนี่ยกเกิดมาพิการพิการทางสมองนะแกพูดไม่ได้สื่อสารด้วยการเขียนการเดินเหินก็ทําได้ลําบากเพราะว่าไอ้สมองส่วนที่คุมเรื่อง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 ที่แคลิฟอร์เนียนะหมายเวลาแห่งแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอ g เจลิสเปลี่ยนยาเอกสกษาขาศิลปศาสตร์ในการจบเปลี่ยนยาเอกจำหมายทะแลแบบนี้นี่ขนาดคนที่มีร่างกายปกตินี่ก็น้อยคนที่จะทำได้นะแต่ว่าเธอนิพิการเนี่ยกับมีความสามารถเหนือนกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำทั้งที่ขาดแคลนหลายอย่างและเธอได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่าง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 ที่ประชุมนี้ก็เงียบกลิบเลยนะเจอคำถามนี้เพราะว่าปกติเขาไม่ถามคนีิการกันแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกวันไหวอะไรนะเธอก็เขียนที่กระดานถามว่าก็เขียนว่าเนี่ยฉันรู้สึกหรือฉันมองตัวเองอย่างไรเธอก็เขียนทีละข้อทีละข้อน ะ, นะข้อแรกนี่ฉันเป็นคนน่ารักนะข้อสองนี่ฉันมีขาที่สวยงาม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 ในตอนที่ลูกค้ากมนี่ก็ขึ้นลดอ่ารถมันก็ลงลัดล้อตามตามไหลเขานะพราะไงครับมองสอนี่โค้งเยอะอยู่แล้วนะปรากว่ารถเกิดพลาดตกลงมาจากถนนลงเหวในตอนที่รถลงเหวนี่เขาก็ภาวนาว่าขอให้ทุกคนปลอดภยัยปรากฏว่าทุกคนปลอดภยัยหมาเลยด้เว้นเขานะเขานี่เจอกระแทกหนักเลยเป็นอัมพาตตั้งแต่ เอว ล, ลงไปเอามาพาดครึ่งตัวเพื่อนที่ไปเยี่ยมเขานี่ก็เสียใจสงสารเขาว่าเนี่ยก็มีบางคนพูดเนี่ยทำไมทำความดีถึงต้องมาเจอแบบนี้ไอ้คำพูดแบบนี้เราคงจะได้ยินบ่อยนะบางคนไปทอดกระดินทอดพราป่าแล้วประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเพื่อนของเขาก็พูดแบบคล้ายๆกันเลยว่า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 คุณป้าแกก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งนะได้กำไร10ล้านบาทกําไรนะเฉพาะกาไร10ล้านบาทเพื่อตมาก็เลยบอกว่าเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแกก็พูดขึ้นมาเลยว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันก็ได้กําไรแล้วยีล้านได้10ล้านนี่แต่ไม่มีความสุขนะกลับเป็นทุกขนะ์วันรุ่งขึ้นคุณป้านี่ก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเหมือนเคย เพื่อนตมาเลยไปถาม Marketing ว่าเขาหายไปไหนก็ได้คําตอบว่าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเดาได้ไหมว่าเขาเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะเครียดนะเครียดที่ได้แค่10ล้านกําไรแค่10บล้านจริงๆแล้วเนี่ยคุณป้าวันนี้เนี่ยแกแกไม่ได้หมองว่าแกได้10ล้านนะแกมองว่าแกเสียสิบล้านแกหมองว่าแกเสีย10บล้านนะไอ้สิ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 ที่จึงไม่ใช่บาปเป็นเงินปอนห้สิปอนให้ทุกคนคนละห้ปอนเอาอาสาสมัครมาแล้วก็ยื่นเงินให้50สิบเสร็จแล้วก็บอกในภายหลังว่าอ่าคุณเก็บยี่สิบนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะบอกว่าคุณคืน30สิบนะกลุ่มแรกเนี่ยบอกว่าคุณเก็บไปยี่สิบอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคุณคืนไปสาสิบ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 นะมีความอยากได้ไม่หยุดหย่อนเพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ายัางขาดโน่นยังขาดนี่ไปนะอยากได้อีกขันได้มาแล้วก็ยังเห็นว่าตัวเองยังไม่มีโน่นไม่มีนี่ก็อยากได้อีกเนะพราะว่าจิตเนี่ยมันมองต่มันมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดเสมอแต่ถ้าเร า, ถ, าเร after, maintaining maintaining. ถ้าเรามองสิ่งที่เรามีอยู่เสมอถ้าเรารู้จักมองสิ่งที่เรามีความรู้สึกขาดก็จะหายไป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 มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนะอย่าไปอ้ออีก อ, อยอ่างอยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มีหรือว่าอย่าไปหมกมุ่นคุ้นชีกกับสิ่งที่เราเสียไปนะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสตินะในการฝึกเนะพราะถ้าเราไม่ไม่มีสติใจเรา ก, ก็จะแวบไปนึกถึงสิ่งที่เราเสียไปเดี๋ยวอีกสักพักก็ไปนึกถึงสิ่งที่เรายังไม่มีเกิดความอยากได้ขึ้นมา